ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้นน้อมจิตน้อมใจในส่วนที่เป็นกุศลร่วมรับคำอนุโมทนาพรจากหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกอย่างพร้อมเพียงกันยะถ า, าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตาัางอุปกาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสสยธามานิชโชติระสสยธาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาธนาสีลิจานิจังบุตถาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาธาติอายุวันโนสุขังภารังผวะตุสัพพะมังคลังราขันตุสัพาะเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังคานุภาเวนะ สัทโสทีภวันตุเต